ข้อวัดของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหลวงผือเป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจางเพราะเป็นยุคสุดท้ายทั้งเมกุรลบุตรเข้าไปศึกษามากด้วยท่านก็ทอดสะพานอนุชนรุ่นหลังอย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนท่านเป็นหนุ่ม เฉพาะฉันอาหารหวานข้าวจิงใดๆก็ตามท่านอารงณ์ในบาทหมดม้นไวแต่นมและโอวันตินเท่านั้นนมและโอวันตินสมะมนีนผสมกันแล้วก็อยู่ในระหว่างสามกลูนเท่านั้นละ ท่านฉันมีประมาณท่านก็เอาสายแก้วตั้งไว้พอฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็ดื่มโอวันตินประมาณสามกลื่นเท่านั้นก็เป็นการแล้วไปตอนกลางเทีย่ยงถึงแม่ท่านจะป่วยสักเพียงไหนท่านก็ไม่ฉัน แม่น้ำมะพร้าวท่านก็ไม่ฉันปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวมากในคีว่าประวัติของหลวงปู่มหาที่องค์ท่านทำที่ท่านองค์ท่านเขียนขึ้นท่านเป็นผู้เฉลาด ท่านไม่เขียนหมดเขียนแต่ขนาดกลางขนาดเล็กเดี่ยวแท้ๆท่านไม่เขียนเลยเพราะเหตุใดเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนในโลกปัจจุบันถึงแม้อย่างนั้นก็ยังกระทบกระเทือนอยู่ปฏิปทาใด เพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหลวงปู่มั่นจึงเอามาเอ่ยให้ลูกๆห ล, ล, ลานๆฟังวิชาจกกระเป๋าวิชา ว, วิชาเทศเพื่อหาชะตังอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่าน สอแสดงให้เห็นว่าปฏิปธาขององค์ท่านไม่หวังเพื่อปัจจัยสี่เลยหวังหลุดห่องพ้นหวังพ้นโดยส่วนเดียวห้ำห้ำหันหันแต่ในทางที่จะหลุดจะพ้นเกลือลุกลันล้ลลานไม่ให้นอนใจปฏิปธาเกี่ยวกับหาลายได้ ในวัดในวาโด้วยอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านศยศาสตร์ใดๆไม่มีในองค์ท่านกระตุดพิษสมรไม่มีที่ทรงพระอนุญาตยางฝุดๆก็น้ำมนเท่านั้นถ้ามีผู้มาขอน้ามนท่านก็เทศเสียก่อนท่านจึงเอาน้ำมนให้เขา ลูกลหลานหลานจิตใจลู ก, ลกลๆูกหลานไม่ถึงพระพุทธระธรรมพระสงฆ์จะมารดน้ำภายนอกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกๆกหลานๆเอ๋ยน้ำอันนี้เป็นน้ำขอเชื่อเชิญและนิมนต์ให้ลูกลูกหลานถึงพุทธธรรมสงฆ์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 วิชาปลุกรูปพระเล็กพระน้อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่านเพราะท่านถือว่าท่านตื่นแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังเหลือแต่พวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้จะไปปลุกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้น ที่นี่วิชาบวชพระพุทธรูกก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชไปแทะหูแทะตาอาแทะหูแทะตาให้พระพุทธรูกหรือบวชให้พระพุทธรูกท่านว่าเป็นลทัทธิที่บาปเป็นลทัทธิของเกกิอาการภายหลังผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมทาพิธีไปบวชให้พระพุทธรูก สมมติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ก็เสร็จสิ้นกันไม่มีการจะทำพิธีบวชหรือเสกเสกอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดก็ตามจะทำด้วยไม้ด้วยอิดด้วยปูนหรืออะไรเท่าที่สัตตามีก็ตามแต่ว่าทำเป็นรูปแล้วก็เป็นพระพุทธรูปเต็มภูมิเช้แล้วไม่ต้องไปหาอบายเสกไม่ต้องไปหาอบายแทะ หูแท้ตาขององค์ท่านมันบาปจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเราดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ส่งเสริมเสียเลยเสยศาสตร์ไม่มีไม่มีแกมปฏิปทาขององค์ท่าน เรื่องชาภานกิจศพก็เหมือนกันสำหรับพระกรรมฐานท่านมาให้รอชา <c oughs> พระบรมศารรสดาก็รอเพียงเกตวันเท่านั้นพ่อคอยพระมหากรชปะถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มติของพระพุทสูง และชาวกรุงกุสินาราเป็นวัติของเทวดามาในทิศทั้งสี่ต่างหากที่บันดาลมาให้ไฟติดจึงได้รอไว้ถึงเจ็ดวันก็พอดีพระมหากัจะปะมาแต่พวกเราจะรอกันทำไมท่านพูดอย่างนั้นรอไว้คอย พระมหากระเดิญหรือทานพูดอย่างนี้หรือเราคอยเอาตังเขาท่านพูดอย่างนี้แร้บวชมหาตังหรือท่านว่ายัะกุศลาของพวกเราก็มีแล้วเราเรียนกันแล้วเราจะว่ายังไงให้กันก็นว่าเสียทีนี้เมื่อเวลาเราไปบินทบาทเราก็มีบาทมีสิศีลทุกคนแล้ว เราจะคอยกินอะไรกับท่านผู้ตายท่านก็ละคารวาสมาแล้วก็มีแต่บริการแปดเหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกับท่านจะคอยเอาอะไรกับท่านอีกผู้ที่ท่านล่วงรับไปเรามีหน้าที่แล้วก็พายาดพายโยมทำชาปรนิกิตโดยด่วน เอาไว้อึกึทึกไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทาในวัดเชตวันมหาวิหารถูกเราพระอยู่ประจำวันไม่ขาดละข้างพุทธองค์ละข้างพุทธการถ้าหาว่าเก็บศพไว้ก็ไม่มีกุดดังที่จะใส่ ท่นยกตัวอย่างมาอย่างนั้นถ้าจะว่าในส่วนปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วกับสมัยทุกวันนี้เท่าที่ตาผมเห็นทั้งตาเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งได้พิจรารณาในใจด้วยไม่ได้ยินแต่คนอื่นว่า แล้วจับนํามาพูดเห็นประจําอยู่ด้วยจะหายาจะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาเท่านั้นแต่หลวงปู่มหามีโยมมากหนักโยมหนักทั้งพระภิกษุหนักทั้ง แขกพระหนักทั้งแขกโยมหลวงปูม่มหาหลวงปู่มั่นหนักแต่แขกพระแขกโยมไม่หนักในสมัยช่วงพันสี่ร้อยเก้าสิบสองแปดิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสาม 92, 8, 9, 90, 91, 92, ก็ชาจิขององค์ท่าน ในระหว่างนั่นก็มีโยมต่างทิศมาทําบุญร่วมองค์ท่านก็มีนางเงี้ยโงเซโค่แซ่แส้โค่ ต, ดาดตลาดตลาดศรีดาถน น, นวร์จับกรุงเทพกับลูกชายนายชุพ์กับนายนนวันคมมาดามูล จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นส่วนทางจังหวัดน้องคายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสกล น, นครก็มีโยมนุ่มแล้วก็มีอุดอรบ้างมาตามสายท่านเจ้าคุณธรรมกีดี ทีนี้พวกชาวโลกกตือร้่นกับพระกรรมฐานสมัยทุกวันนี้ก็หลังจากศพหลวงปู่มันมานี่เท่านั้นนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็รู้ว่าไม่มีค่าก็อยู่กันแบบเยียบๆไม่มีใครตื่นเชียเลยพวกญาติโยม หรือฝ่ายพระก็ดีแต่วัดด้านจิตใจภายในของท่านเด่นประชุมหรือประชุมประชุมกันที่ไหนก็กล่าวแต่เรื่องสมาธิสมาบัติพระภิกษุสงฆ์ชักชวนกันยินดีในวิเวกยินดีในสันโดษ ยินดีสังัดชักชวนกันปลุกคิดปลุกใจกันแต่ทุกวันนี้โกงกันข้ามเสียแล้วใครอยู่ที่ไหนก็จะกล่าวเรื่องจีวรมินทบาทเชนาสนะและเพศสัตว์เป็นส่วนมากที่นั่นรู้ล้าที่นั่นคับแคบที่นั่น สบายดีในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก่อนอัตคัดมากแต่ข้อวัดเด่นช่วง 88, 9, 90, 91, พ, พันสี่ร้อยแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองพรพสูงที่อยู่ในวัดขององค์ท่าน ก็มีเพียงปีละส7บเจดสิบปดองค์จำพรรษาก็บอกไม้ไผ่ทำกระท un พอเจ็กอาหารแล้วจึงตั้งได้ศาลาก็เป็นศาลาฟ้าเดินขุกขักกลักเข้าที่ของตนแล้วเสร็จแล้วจึงตั้งกระทุนขึ้นได้เวลาฉันอยู่ ท่านไม่มีการพูดเชียเลยหลวงปู่มันคำเดียวก็ไม่พูดกลืนคำเข้าเสียก่อนจึงพูดท่านก็ไม่พูดไม่ไม่ใช่เวลาจะพูดท่านพูดอย่างนั้นถ้าลึกสูบบางองค์ท่านก็ภาวนาอยู่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามมเภคใจของเรามันก็ขัดขวางต่อผู้ภาวนาท่านป่ารลอย่างนั้น ในเวลาที่ภิกสุสามเณรยังไม่ทันลงมือฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันปฏิปทาของท่านท่านจังรอต้องต้องรอเสียก่อนเวลาท่านท่านฉันอิ่มแล้วท่านก็ไม่อืดอัดท่านลุกเลยท่านก็ทันไม่ทันท่านก็ตากผ้า เทท่าก่อนแล้วต้องได้แย่งเอาประเพียวเลี้เกินไม่อืดอาดเหมือนพวกเราทุกวันนี้ไม่าล้่างบาปพระภิกษุลงไปล่างบาป ก, ก็ได้ยินแต่เสียงล่างบาปตลอด ถึงจะทำบาทให้ขุงหลุงคุลุงหลุงลุงอย่างนี้เขาไม่ทำพอเสร็จแรกก็ของใครของมันไม่พร่มเพื่อโยงขององค์ท่านมาวัดเขาเงียบสงัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเราเนี่ย เขาก็ไม่ตั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดพวกโยมมาเศษของพระเขาจัดไปรับทานกระทอมเล็กๆของเขาต่างหากเขาไม่มารับทานในในศาลาที่พระฉันอยู่เงียบที่สุด ข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสำคัญที่สุดพ่อรักสงบคนมาต่างทิศพอมาถึงเช่นเขามานอนข้างคืนทําบุญอย่างนี้เขาก็าไปนอนที่ไหนไม่ทราบเขาไม่มายุ่ในวัดพอตื่นเช้ามา เขาก็จึงมาใส่บาตรพระหรือมีอาหารอะไรเขาก็เอามามีสิ่งที่จะบังสกุลเขาก็เอามาแต่ทุกวันนี้มันโกงเงินข้ามใช้แล้วจะให้เขานอนอยู่ไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้อีกเพราะโจรผู้ล่ายมันมากพระภิกษุต้องรู้จักว่าเขาพักที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่ไมต้องกับชับเขา แต่ก่อนไม่ต้องหนอกเพราะโจรผู้ร้ายไม่มีเขาจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีกี้ไม่มีปลุนในระหว่าง2488 89 90 91 92 93นะ่ะหรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกัน อยู่กับหลวงปูมั่นแต่ก่อนอยู่แบบโซกโซนหนักเหมือนกันแต่ว่าเบาหนักแต่หากว่าเบาเพราะเหตุใดเพราะระวังดีเช่นหลวงปูมหาเป็นมือขวาขององค์ท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านตักน้ำดอกเช่นขนฟืนอย่างนี้พวกผมก็มาได้ให้องค์ท่านทา เป็นแต่เพียงท่านควบคุมหมู่อยู่เสมอๆไม่ได้ขาดเวลาตักน้าท่านก็ไปถึงนํบาบอกท่านสังเกตดูว่าพระกอพระขอพระคอพระงอองไหนมาบ้างองไหนทําจริงบ้างองไหนไม่ทําท่านต้องประกวดดูเสมอๆตลอดถึงในเวลา ทำข้อวัดของหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้มาทำหรอกแต่ท่านหนักในเรื่องอื่นหนักในเรื่องอกอกหัวคิดควบคุมหมู่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายของหลวงปู่เพราะเป็นมือขวาของท่านผมเองหลวงปู่มั่น กับหลวงปู่มหาได้สั่งสอนเสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็มาถามองค์ท่านมากับเรียนองค์ท่านอีกสูตรหนึ่งท่านก็บอกว่าหมายความอย่างนั้นหมายความอย่างนี้พระคุณของสองพระ อ, องค์นี้กับผมต้องลงเกล้าลงกระหมอ่อม <c oughs> แต่องค์อื่น ท่านก็ดีวิเศษอยู่แต่ผมไม่ได้คอยอยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฝันก็ดีไม่ได้คอยอยู่กับองค์ท่านนานเป็นเพียงได้เจอได้พบได้เห็นท่านในเวลาท่านมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปนอนข้างคืนในวัดขององค์ท่าน และมาได้อยู่คอเจ็ดวันกับองค์ท่านหลวงปู่เทศได้อยู่ 1, 1. พรรษาหนึ่งพรรษาสาธิสองก็อยู่กับท่านอาจารย์เหลียนสามปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศสองปีหนึ่งอยู่กับท่านอาจารย์เหลียญแล้วก็กลับมาทางอีสาร เรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทางออกโลกออกสองสารหลวงปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนพิกษุสมัมมณีนบ่อยๆจึงกลงกับคำภีวิสุทธิมัตบอกว่าสิ่งไหนจะเป็นเครื่องนายเป็นเครื่องคลายเครื่องหลุดเครื่องพ้น ภิกษุทธสมัมเนรผู้หวังผลทุกจงชวนกันพูดจงชวนกันสนธนาจงชวนกันสนใจเถิด อ, อย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมากเพราะเป็นตีรฉา น, นักถาเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่มั่นทำถูกเพราะเมรัยเก้ง ไม่มีผิดมองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี้ก็ไม่ถึงพอห้าสิบปีหรือสี่สิบปีในระหว่างสามสิบปีท่านนั้นที่นี่การปฏิบัติของพระ มันก็ลบเรือนมาบ้างแล้วที่นี่สองพันห้าร้อยกว่ากว่ามาแล้วจากยุคของพระบรมศาสด า, า, า, า, าจะเปลี่ยนแปลงมาสักเพียงไหนเรามาลองคิดดูนี่ก็พอแล้วแต่ก่อน ชันิิฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่าทั้งนั้นวัดบ้านขามมาวาสีคงจะมีน้อยนักเพราะเหตุใดเพราะเหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่างสามสิบกว่าปีวัดสุทธวาวา ในระหว่างหลวงปู่มั่นมรณะธรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิทางบินทะเบศหนึ่งกิโลกว่าๆข้ามทุ่งไปริบบี่ริบบีแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมืองหมดแล้ว วัดป่าเก่าๆก็เหมือนกันที่นี่วัดป่าสารวันนครราชสีมาแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเ ด, เดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองหมดแล้วภายในไม่กี่ปีในยุค ข, ขั้งพุทธกาล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 อําพักปาวัดป่าของนางมันลิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิวัดต่างๆในภาคใตปพิสดกมีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำห้ตามภูเขา หลังภูเขาก็ามีเพราะในบาลีทุกคนทุกแห่งก็บอกว่าให้ยินดีในเซนาสระป่าเรา ย, ยินดีในที่สงัดหรือไม่ วัดบ้านเกิดขึ้นทีหลังเพราะอยู่มาบ้านเมืองมากขึ้นก็แต่แก้กออกมาส่วนวัดอยู่อยู่คงที่มีน้ำซ้ำแย่งที่ดินของวัดเข้าด้วยคงจะมีวัดป่าเป็นส่วนมาก ในอนุสาตร์ก็บอกให้ยินดีในเซนาสนะป่าอรัญเยลุคมูเลวาให้รักสันโดษทำเราใดเป็นพอเป็นไปเพื่อความกำลัดยอมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่ง เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไม่สนุดยดนดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความค ร, รุกครีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียข้าหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรื่องยากหนึ่งทาเหล่านั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสั่งสอนของพระบรมศาสดา มีในโคตมีสู่รรมที่บันพชิตควรพิจารณาหนั่งเนืองในส่วนตัวเฉพาะตัวก็มีอยู่สิบอย่างบรรพชิตพึงพิจารณาหนั่งเนืองว่า มัด น, นี้เรามีเพศต่างจากเครอหอขันแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆสองบรรพชิตควรพิจารณานเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนืองโดยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขายังง่ายสามบรรพชิตพึงพิจารณานเนืองๆว่า อาการกายวายายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี 4, บ่บรรพชิตพึงพิจารณานเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ 5. ้าบรรพชิตพึงพิจารณานเนืองว่าเราจะต้องพัดพลากจากของลับ ของเข้าใจทั้งนั้นหกบรรพชิตพึงพิจารณา น, านเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีจักได้ดีเราทําชั่วจักได้ชั่วหกบรรพชิตพึงพิจารณา น, านเนืองว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บันพชิตพึงพิจารณ า, าเนืเนืองว่าเรายินดีในที่สงดหรือไม่บันพชิตพึงพิจารณาเนื่งเนืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไม่เกื้อขืน ในเวลาเพื่อนมันริชิตถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่รักสันโดทไม่รักยินดีในเสนาสนะป่าหรือไม่พิเกลาหนึ่งเนืองใมส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยมันริชิตถาม สมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราก็เกิดขข้นเราก็ตอบไม่ได้ ถ, ถ, ถ้าเราประพัติตามนั่นก็เป็นคำกูงันข้ามเราก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อยความปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมันเป็นเครื่องเหนียวใจของท่าน ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อคนทุกข์ในปัจจุบันในชาติการประพฤติเด็ดเดี่ยวจะประพฤติยังไงลักใครในข้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นของสำคัญมากภาวนาแบ่งออกเป็นสอง ถ้ามีเกตจำนงประสงค์เพื่ออามิ t h ก็เป็นโลคิยาภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุตระจิตนาและโลกุตะระภาวนาเมื่อจิตใจจะไม่ถึงก็าตามแต่ก็เอื้อมมือถึงแล้วเอื้อมจตนาไปถึงแล้ว มัตตะสงสารไม่เป็นของง่ายๆเรื่องเกิดเรื่องเกะเรื่องเก็บ เ, เ, เรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โตแต่ก็หากว่าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชือกเป็นของใหญ่โตขหงฐานของผู้เข็ดหลาบ ของผู้หาทางออกทุกในวัฏสงสารมันจองขาดในคันทะสันดานของผู้ยังไม่พ้นทุกแล้วเมืม่อผู้ที่ยังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารจะรู้ตัวว่าทุกเลื่อไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็เป็นทุกขอยู่นั่นเองเพราะยังไม่พน้น ทุกอะไรอะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกที่ยังไม่พ้นในวัฏฏสงสารไม่พ้นจากกิเลส ข, ของตนจะส้ำคัญตนมาเป็นสุขสักเพียงไหนก็ตามความสํำคัญอ น, นันก็ทำให้จิตเป็นหมัน วัตตาสงสารก็มีอยู่สี่คุกคุกเกิดคุกเกะคุกเก็บคุกตายว่าในชาติก่อชรลาพุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเทสะทะเกิดในเท่าใคร โอปะปาทิกะเกิดผุขึ้นเหล่านี้เป็นคุกทั้งนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นทุกข์หนังห่มอยู่ด้ยรอบก็เป็นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะยังไม่พ้นไปจากหนังเพราะยังหลงหนังอยู่หลงว่าเราว่าเขาว่าสารวะบุคคลเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละเจ้าตัว ทังผู้เทศและผู้ฟังจะพิจารณาทวนกระแสดูตนทึงเหล่านี้จะห้ามหันว่าคนนั่นดีคนนี้ชั่วก็ไม่ถูกต่างคนก็ต่างพิจารณาตรวจอยู่ตนเองเท่านั้นถูกแพ้ก็ต้องถูกแพ้ตนเองถูกชนะ ก็ต้องถูกชนะตนเองถ้าแพ้ก็แพ้กิเลสของตนถ้าชนะก็ชนะกิเลสของตนถ้านอนใจก็นอนใจในกิเลสของตนคำคำ ส, สอนของพอบรมศาสสัสด า, ศ า, ศ า, ศา ไม่ได้นิยมวาชาติใดๆเป็นธรรมที่ไม่ลำเอียงการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วเป็นสารยุติธรรมทั่วทั้งใจโลกาผู้คนจากกิเลสแล้วก็เข้าสู่ปณิพานก็เป็นสารยุติธรรมทั่วทั้งใจโลกา พุทียังมีกิเลสมากก็ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารมากก็เป็นสารยุติธรรมโดวท้งใจโลกาไม่ลำเอียงเข้าชาติใดชาติหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งหรือมนุษย์ตัวใดตัวหนึ่งหรือเทวบุตรเทวดามารพรมองใดองค์หนึ่งเป็นธรรมเสมอภาพ เป็นของทิพย์หด้วยการทำดีทําชั่วเป็นของทิพย์เพราะของทิพย์เหล่านี้ตนเป็นผู้ทำขึ้นตนอยากดีก็จ ง, งทาดีขึ้นก็เป็นของทิพย์ตนอยากชั่วก็ทาชั่วก็เป็นของทิพย์ของทิพย์ ทังทางดีและทางชั่วตลอดถึงมรรคผลที่ผ่านเราถูกปัญหาหลงมาหลายชาติหลายพ่ปัญหาของโลกของโกรธของหลง ทีนี้เราจะมาแก้ปัญหาของเราที่ผูกมัดเราไว้เราจะมาพิจารณาให้แตกหักความเกิดความเกิดมีคุณมหันมีโทษอ น, นันต์ ถ้าพิจนารณาไปในธรรมชั้นลึกก็มีแต่โทษทั้งนั้นเกิดแก่เก็บตายเพราะมีทุกชาติปิดทุกขาปิแปลว่าแม่แม่อันนี้ก็เป็นทุกไม่ใช่ทุกธรรมดาชาาปิดทุกขาแม่อันนี้ก็เป็นทุก มาน่ะนำปิดทุกขงังความตายแม้อันนี้ก็เป็นทุกโสกอปินิเทวทุกขโทมณตุ ป, ปายาความค้าแค้นใจความปรารถนาไม่ได้สมหวังทุกกรณีวิธีทางรวมลงไปอยู่ที่ชาติเป็นทุกหมดชาติมาจากอะไรชาติมาจาก การมาพบรูปประพบรูปประพบเพราะยังยินดีในพบอยู่เมื่อยังยินดีในพบก็คือยินดีในชาตินั่นเองเมื่อยินดีในชาติก็เท่ากับว่ายินดีในเกิดแก่เก็บตายนั่นเองก็เท่ากับว่ายินดีในปาฏถนาไม่สมหวังนั่นเองเพราะเกิดแก่เก็บตายไม่สมหวังของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งหลายไม่ต้องการเก่เก็บตายเรียวกว่วาไม่สมหวังวิชาในทางพพุทธศาสนาเป็นวิชาทวนดูตนเป็นวิชาสอนตนเป็นวิชาอั ต, ตนาโจทยยัตตานัง เป็นวิชาติเตือนตนด้วยตนเองปุริศาธรรมสารลถีฝึกตนให้ดีก่อนแล้วจึงฝึกฝึกผู้อื่นในภายหลังจึงไม่เดือดร้อนแต่คนโดยมากมักต่างคนก็ต่างจะเทศเอากันโยมก็จะเทศเอาพระพระก็จะเทศเอาโยม คือซัมมานีนก็เหมือนกันต่างคอนก็ต่างจะเทศเอากันทีนี้การทวนดูตนเป็นของมีน้อยเหตุฉะนั้นการหลุดพ้นจึงเป็นของมีน้อยเพราะนักเทศมากนักปฏิบัติน้อยนักเทศในทางปรมาธเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน เช่นความแก่ก็แก <marketing>. ar ่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นความเก็บก็เก็บอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นความตายก็ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเช่นชะกลละกายเปื่อยเน่าก็เปื่อยเน่าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่จบเสียณสักอย่างเลย เช่นความเกิดขึ้นแล้วแปรปวนระดับไปตลอดถึงสิ่งหยาบสิ่งละเอียดก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพวกนี้เป็นนักท่าเทศเอกทั้งนั้นไมาลงธรรมาทิที่นี่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมาทิอียด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ผู้เห็นผู้ระลึกถึง และไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ไม่เห็นผู้ไม่ละลุกถึงเป็นของจริงเป็นของมีอยู่ทุกการอักกาลิกูมีอยู่ทุกการผู้หลุดพ้นไปแล้วพอหลุดพ้นไปไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ตะเกียกตะกายอยากจะพ้นต้องการจะพ้นก็ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่ถือมาไม่มีไม่มีบุญไม่มีบากก็ไม่ลงธรรมะไม่มีกลางวันกลางคืน ธรรมวิจยะทีนี้เราสอดส่องธรรมเราจะเลือกเฟ้นธรรมเราจะเอาส่วนไหนต้องขึ้นอยู่กับเราอีกอันี้เมื่อของจริงมีอย่อยางนี้ทุกช่างทุกุูมแล้ว นี่ผ่านมาเนี่หมดไปไหนขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะเห็นผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นผู้ไม่สนใจก็ไม่เห็นผู้สนใจจึงจะเห็นจะได้เพราะสิ่งทั้งพวงมันมีอยู่หมดแล้วเราพิจารณาทมตามเป็นจริงของธรรมเราปฏิบัติทำตามเป็นจริงของธรรม เราจะสิ้นความสงสัยตามเป็นจริงของธรรมแต่ละชั้นละชั้นไปไม่ใช่เราจะมาแต่งธรรมไม่ใช่เราหมดจะมาอยู่เหนือธรรมไม่ใช่เราจะปฏิบัติเหนือธรรมเราปฏิบัติอยู่ใต้อำนาจของธรรมท้งนั้นไม่ใช่เราจะมาแต่งธรรมให้เข้าขับวกิเลสของเรา ไม่ใช่เราจะมาแต่งวินัยให้เข้ากับกิเลสของเราแต่งไปไหนก็ไม่ไปความจริงไม่นิจจากความจริงในชั้นธรรมชั้นวินยัยทั้งโลกิยะด้วยทั้งโลกุตระด้วยสนใจในธรรมเพื่อหลุดพ้นในวัฏสงสารขณะจิตเดียวมีคุณ ค่ากว่าการสนใจในทางอื่นตั้งล่ล้านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารขณะจิตเดียวยังดีกว่าผู้เห็นเพลินในวัฏฏสงสารตั้งล่นล้นานขณะจิต ว่าทาทั้งหลายทั้งเป็นบาปและกุศลและอกุศลไม่ใช่ทําเมาเพราะมาให้เมาในวัฏฏะสงสารม่ให้มัวในวัฏฏะสงสารให้ตื่นอยู่เสมอสวรรนาคต เรียกว่าเรียกการบรรณธรรมของพระบรมราชานิพพานเรียกตามศัพ์และเกียรติยศของพระอาหารหันต์ตายเรียกตามคำสาบานมโ น, น มรณะภาพเรียกตามคำสุภาพของภาษาไทยนิยมในภาคกลาคํำว่ามรณะภาพหรือมรณะธรรมหรืออนิจจาธรรมแต่ว่าคำอนิจจาธรรมมันก็ มันเป็นคำกลางตายก็ว่าอนิจจาไม่ตายก็ว่าอนิจาาาาจาเพราะมันมีอยู่มะนุษธรรมแต่ทำม ไ, มไม่ได้มะนณ ะ, ะไปไหนฝ่ายชั้นขานก็เป็นธรมน ร, นน ร, นรมจริงอยู่อย่างนั้นฝ่ายพระนิพพานก็เป็นธรรมจริงอยู่อย่างนั้นแต่สมมติกัน ให้รู้จากความหมายที่นี้เรื่องอดีตรเรื่องอนาคตก็เรื่องตาหงษ์จมูกเลื่นกายใจเรื่องปัจจุบันก็เหมือนกันเรื่องอนาคตก็เหมือนกันถ้าไม่ว่าตาหงษ์จมูกเลื่อนกายใจก็เรียกว่า มหาภูจารุถ้าจะเรียกแต่รูปคือดินน้ำผส ม, ป ร, มประชุมกันหรือดินน้ำไฟลมที่ล่วงไปและยังไม่มาถึงและปัจจุบันโลกมีอยู่สองอย่างรูปพระโลกแลรูปพระโลก โลกทั้งสองอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนาาัตตารูปประโลกคืออะไรคือตาหูจมกูกลิ้นกายอรูปประโลกคืออะไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่บัญญัติร่าใจก็วิญญาตกก์ก็บัญญัติเหมือนกันอมันอยากว่าวิญญาณก็บัญญตัต นโยบ า, ายแต่ละอย่างยากที่พระองค์ทรงเทศก็ไม่หนีจากกลับอันนี้จังทุกครั้งอนาตาที่จะทำให้เบื่อหน่ายคลายมอในวัรสงสารที่จะไม่ให้ยินดีในอวิชาตันหาอุปทาน ยินดีในความเกิดแก่แกบตายก็คือยินดีในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเราพิจารณาทุกครั้งอนิจจ์อนัตตาพิจารณาเพื่อให้เบื่อหน่ายเพื่อให้เค็ดลาเพื่อให้ไม่ถือมั่นต่างหาไม่ใช่เราจะเอาไปพระนิพพานด้วย เราพิจารณาธาตุก็เหมือนกันธาตุต่างๆนาน า, น า, า, า, นาธาตุยางจะคูทธาตุคือตาโสตะธาตุคือหอูตลอดถึงโมโนโาธาตุคือใจก็พิจารณาเพื่อมาให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาเอ ง, เองก็คําเก่านะั้นไม่ใช่คําใหม่มีความหมายอเก่าแนละ้ว สิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่เป็นอารมปสิ่งที่เป็นรูปก็บัญญัติว่ารูปประธาก็บัญญัติว่ารูปประโลกก็บัญญัติว่ารูปสังขารสิ่งที่เป็นอารูุปก็บัญญัติว่าอารมปประโลกอารูประสังขารอารูปประธาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จร่งแล้วนี่ก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาให้กลมกลืนกันที่ต่ออยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมก็ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับขณะจิตที่นึกคิดหรือพร้อมกับคําที่บริกรรมก็ตามก็เรียกว่าปฏิบัติภาวนาทุกๆ ก, กรรมฐานหมดเพราะชุมทางกรรมฐานลงลงที่นั้น ผู้จะบันเทาตำหาหรือทำให้เกินให้งไปก็ต้องเห็นสิ่งทั้งปวงในใจโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเป็นของไม่ที่อย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาเท่นั้นถ้าไม่เห็นชัดอย่างนั้นก็ความเพลินก็ห้มอมล้อมไม่อยู่เหมือนกัน ถ้ารับตัณหาได้เวทนาทั้งหลายก็ดับได้พัสนะเวทนาสลายตนะอะไรต่ออะไรก็ตามเถิดถ้าไม่เพลินในชาติในภพก็สิ่งอื่นๆก็ไม่เพลินอีกเหมือนกันก็ดับไปเหมือนกันอันในอันหนึ่งในสิบเอ็ดข้อนในปฏิจจสมุปบาทคือมันเกี่ยวข้องโยงกันเป็นสาย เมือนสายโซ่เนีวนกันอยู่อย่างนี้ตัดอันใหนอันหนึ่งได้ก็ตัดหมดเพราะมันไม่ต่อกันไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่ว่าจะละอวิชชาแล้วก็จึงจะมาหัดละสังขารแล้วก็จึงจะมาหัดละวิญญาณนามลูกไปใช่ไหมใช่หรอกตัดอันหนึ่งได้ก็ได้หมด อุปรท า, านคือถือมันในกามถือมันในทิฏฐิถือมันในสินพจน์เพื่อต้องการรูปและอรูป ถ้าเห็นชัดลงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแล้ววิชาไม่มีหนทางจะมาตันหาก็ไม่มีหนทางจะมานามรูปวิญญาณสลายตระหนักปัจจเวทนาตันหาอุปทานพบชาติก็ไม่มีอมชีนางปุราณัางระวังนทถิสัมภวังท่านผู้ใดเบื่อหน่ายในพบจะตอบไปแล้ว ไม่ยินดีในภพต่อๆไปแล้วท่านผู้นั่นต้องเข้าสู่พขณีพานเหมือนดังปะที่ที่หมดไส้ทั้งนอนด้วยเพราะไม่มีพืชแล้วบุคคลผู้ยินดีในชาติจะไม่ยินดีในพบก็ไม่มีจะไม่ยินดีในพัสสาเวทนาตัญหาอุปทานก็ไม่มีนะอันเดียวกัน อันใดอันหนึ่งเท่านั้นเมื่อบุคคลยืนยันว่าปัจจุบันเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยบุคคลผู้นั้นจะไม่ยืนยันว่าอดีตอนาคตเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นไม่มีเลยอันเดียวกันอถ้าข้ามปัจจุบันได้ก็ข้ามอดีตได้เหมือนกันขอข้ามอนาคตได้เหมือนกันถ้าไม่สงสัยในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยห มัเป็นเรื่องขั้งขานทั้งนั้นมันเป็นเรื่องความเกิดดับทั้งนั้นมันเป็นเรื่องลกโลกเล็กๆทั้งนั้นพราะพระนิพพานมาในบรร ญ, ญัติว่าเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตเรื่องกินเรื่องฉันเรื่องดืม่มท่านก็บอกชัดแล้วในการนี้เพื่อประกติพมรมยัน์ท่านั้น การกินอาหารหรือฉันอาหารหรือรับทานอาหารคำภาษาของพทัทธสุขเรียกว่าฉันภาษาบรนนอกก็เรียกว่ากินหรือรับทานภาษาของ พระบรมราชาเวยพระกยาหารภาษาบาลีพุนชันติภาษายวนอันเกิมภาษาเจะปึกหรืออะไรไม่ทราบละ่ะภาษาอังกฤษไม่รู้ว่จะว่ายังไง <laughs> <laughs> พอสมมุต สมมติทั้งหลายอยู่ใต้อนิจจังทางนั้นสมมติพระนิพพานก็อยู่ใต้อานิจจังหนอกหรือก็อยู่ใต้อณนิจจังเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะรถของพระนิพพานต่างหากคำชื่อของพระนิพพานเป็นสมมติเป็นอนิจจังเหมือนกันคำชื่อของพระนิพพานเป็นอนิจจังแต่รถของพระนิพพานไม่ใช่อนิจจังทำแท้ของพระนิพพาน ฉันเราไม่ถึงพระนิพพานเราก็ว่าพระนิพพานก็เราก็ว่าเฉยๆนิพพานนิพพานนิพพานอย่างนี้เราก็ไม่ได้เราก็ว่าได้เหมือนกันอราหารันอะระหันอย่างนี้เราก็ว่าได้เพราะสิ่งเหล่านี้ อ, อันนี้จังเป็นจิตตสังขารใส่ชื่อแต่รถของพระนิพพานรถจิตรถใจรถธรรมะของพระนิพพานรถธรรมะของพระรหันไม่ใช่สมมุติเสียแล้วอเนี่ย